ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังงทลาไรจึงทำจากมหาวิจัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในอุทานอยู่ในภุตกานิกายอุทานมาโดยลำดับพระสูตรต่อไปคือสุภุติสูตรจะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยพระเทระ นามวาสุภูจิในเนื้อหาสาระแล้วเป็นการอธิบายธรรมะถึงวิธีกาจัดพิจกทั้งหลายจนถึงกับบรรลุผลสูงสุดเนื่องจากพระสุภูจิเป็นพระอรหันต์ที่มีบทบาทโดดเด่นแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ก็คือตำนานที่เกี่ยวกับพระบววเข็เ ป, ปกติแล้วก็เป็นหลักฐานที่มีการสื่อสารกันมาในประเทศพมา่าประเทศไทยเราก็ใช้เป็นพระในพิธีวงกันไม่ฝนตกหรือบางครั้งก็มาประกอบในพิธีขอฝนเป็นต้น เรื่องราวของพระเทรซทั้งหลายเนี่ยเราจะก็บปรากฏในอัติกถาที่ว่าด้วยเรื่องนั้นนั้นตามปกติแล้วจะเล่าข้อความไม่ละเอียดแต่จะมีปรากฏอยู่ในพวกอ ป, ปาทานเป็นเรื่องที่พระเทระรูปนั้นๆั้นเล่าด้วยตัวท่านเองจะปรากฏอยู่ในเทระคาถา ตาปกติแล้วตัวคาถานั้นจะอยู่ในพระไตรปิฎกเดีวเนือเรื่องที่เป็นเหตุให้กล่าวคาถาต่ระบทะะก็ปรากฏอยู่ในอัตตกถาวันพระอราจารย์จะนำข้อความตรงนี้มาร้อยเรียงกันแล้วก็เป็นการสะท้อนเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากเกิดจากเหตุในปัจจุบันแล้วยังปีเหตุยังมีเหตุในอดีตการที่นานไกลนั่นก็คือเรื่องของบารมีธรรมวันในที่นี้จึงใครจะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาคือภูมิหลังของพระเถระรูปนี้โดยสรุปนะฮะเพราะเรื่องยาวมากคือพระสุภูติเถระเนี่ย เราถามมนาในชาติปัจจุบันคือใครก็รคือน้องชายคนเล็กของท่านนาตาดินมกนการเรตีหลังจากผู้ชายได้ความเทศมารลุมรผลเป็นพระโสดาบันแล้วปราถูนรารัธนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่ศาสนาที่กรุงสาวจีโดยไปสร้างพระเชตวัน เรารับเสด็จไว้แล้วตอนที่ท่านกลับจากกรุงราชค้นท่านก็มอบหมายทรัพย์ของท่านไว้ในที่หนึ่งโยศเนี่ยมอบไว้หนึ่งแสนเมื่อว้กยกสหายิพนนเส้นทางเพื่อจะให้สหายเหล่านั้นได้ดูแลพระพเจ้าและพระสงฆ์เวลาเสด็จไปสู่กรุงสาวัตี ทีนในงานที่มีการถวายพระเชตวันพระเจ้าก็เสด็จมาแล้วนะครับะมมาสาวกเสด็จมาแล้วพระสงฆ์ผู้ใหญ่ก็เสด็จทำาบวยพรเจ้าก็ทรงสแสดงธรรมพระราตนบินิกาเศรษฐีก็ไม่ได้บรรลุเพิ่มก็คงเป็นประสะรบการณแต่น้องชายที่ชื่อสุภัสสุภุติคือน้องชายคนเล็กเนะี่ย เราฟางเทศแล้วท่านก็ขอบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรไม่นานบารรลุมรรคผลเป็นพระหรันทนิการที่คนบรรลุมรรคผลเป็นพระหันรจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้หรือง่ายแต่ตามปกติเวลานำมาเล่านำมาแสดงแล้วก็พูดเท่าที่เวลาจำหน่วยให้ คล้ายกับประเทปปั๊บแล้วก็บรรลุ ป, ปุ๊บเดี๋ที่จริงเป็นผลตอนสุดท้ายนะฮะคือหลังจากไปสร้างเหตุมาผ่านภพชาติมาเป็นนันเดกันนั้นพอถึงจุดหนึ่งบารมีทั้งประเต็มตอนทีบารมีเต็มถ้าเรียกว่าปัชิมะวิกษัตริย์กศศศศที่จะเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งสุดท้ายหรือเป็นภพสุดท้าย ความโน้มเอียงทางจิตนี่มันจะไม่เหมือนกับค น, นทั่วไปอย่างที่มีคนไปตั้งแง่มุมออกกับพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระจุบกุมาณคือเจ้าชายทิพทะเพระทำไมอยู่ท่ามกลางสาสรรกำลังใ น, น, นเป็นจานบมากขนาดนั้นถึงมีพระโอรสที่เพียงองค์เดียวน่าจะมีลูกเยอะ เรากาที่โยมคิดมันคิดแบบโยมแต่หมาบุรุษนี่ก็คิดแบบหมาบุรุษวันถ้าหมาบุรุษคิดแบบคุณมันก็ท่านก็ไม่เป็นหมาบุรุษถ้าคุณคิดได้อย่างหมาบุรุษคุณก็เป็นหมาบุรุษวันต้องรู้กําลังของตัวเองต้องรู้สถานะของตัวเองไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทําไม่ได้คือคนอื่นทำไม่ได้ เราคิดไม่ได้คือคนอื่นคิดไม่ได้เราพูดไม่ได้คือคนอื่นพูดไม่ได้อันนี้ก็ประเมินตัวเองสู่ไปเพราะเราที่จริงมีภูมิหลังที่แตกต่างแล้วก็ยิ่งย่อนกว่ากันแล้วก็เป็นสายๆไปด้วยอย่างพระสุภูติเนี่ยท่านเล่าย้อนหลังไปคือ จากการสังเกตพบว่าพระยะบุคคลในยุคพุทธกาลยกเว้นพวกมหาสาวกสาวกทั้งหมดหกรูปคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วก็พระมหาโพธิตะเรียกว่าพวกได้มหาธิยาแล้วก็มีภิกษุณีอีกสามรูปคือพระเขมาพระอุบลวณาแล้วก็พระพัฒกัจานา พระพาทธา迦那 น, นั้นก็คือพระนางพิมพาด้วยท่านเหล่า น, นี้ได้ระดับมหาพิญญาท่านสร้างบารมีมาก่อนก่อนหน้านั้นวันจึงมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของท่านเนี่ย ยังมองว่าคงเกิดขึ้นมาจากการที่ภิกษุกับภิกษุณีไม่เคยได้เกี่ยวข้องอะไรกันเท่าไหร่เวลาทำสังฆทานะพระผู้ชายเป็นผู้ทำสังฆทานะผลเรื่องราวของภิกษุณีก็เลยไม่ได้ยกยุกขึ้นสู่สังขีพุแล้วก็กลายเป็นรู้เท่าที่ท่านรู้ เราถ้าเรอานประวัติของพระเถรีพิษุณีแล้วในจะไม่เคยพิจารณามันก็แสดงว่าท่านก็เรียบเรียงเท่าที่ท่านดูเพราะว่าความสนิทชิดใกล้เนี่ยมันไม่มีพิสุกับพิษุณีไม่มีโอกาสไปนั่งคุยเล่าอะไรกันหแต่บางคนต่างก็อยู่ในศีลและต้องสำรวมระวังเพราะว่าสถานะเด่นเนี่ย พิจุนีก็คือผู้หญิงอยู่ในที่รับตาละผูกันไม่ได้กับพิสุและพิสุก็คือผู้ชายอ่ะอยู่ในที่รับตาละผูกับผู้หญิงคือ่พิจุนีก็ไม่ได้เพราะนั้นมันมีสถานะภาพซ้อนกันอยู่สองสถานะเราไม่มีปัญหาในภาคของการปฏิบัติทินัยเพราะนั้นต่างคนต่างก็สงกวงกเรากัวต้องอาบาัตไปกัน โอกาสที่จะพูดยาสนน า, นาเล่าความหลังอะไรแต่ละการเนี่ไม่มีเลยเป็นวหวแต่มีการสอบถามหรือว่าเป็นการเล่าตำการตำโอกาสแต่ก็มีน้อยนะเรื่องแบบนี้เราจะเจ อ, เจอน้อยนะก็ยังนึกว่าลักษณะสังคมอย่างนี้ ทั้งคมที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามศีลแต่บางครั้งบางครงาวมันก็สูญเสียโอกาสในบางเรื่องอเช่นการสนทนาทำกันการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเรียกว่าธรรมศากัชากั น, กนแล้วตลอดถึงการศึกษาอะไรต่งางๆบมกันี้ถามว่าทำไมไม่เปิดโอกาสมันเปิดโอกาสไม่ได้หรอก เพราะปัญหามันจะตามมาอีกเยอะเลยปัญหาจากนักบวชนอกศาสนาปัญหาจากคนที่เป็นปฏิปัติปัญหาของการสร้างสถานการณ์ดนการบัญญัติภาในบางอย่างเนโรงเห็นชัดเจนนะฮะว่าต้องการตัดไฟเื่อตนลงเพื่อไม่เกิดปัญหาและตามแก้เนี่ยมันยาก ปัญหาวิธีดีที่สุดคือคือย้ายเกิดเพราะถ้าเกิดแล้วจะแก้ยากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยท่านเป็นนักบวชระดับเขาเรียกว่าเป็นชีวิตคล้ายกับเป็นชีวิตในอุดมคติเขาเรียกว่าอุดมเพศ ซึ่งก็มีบทบัญญัติเยอะที่จะต้องดูแลใจใส่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นตการปฏิบัติในรัาฐขณะนี้โอกาสที่จะคื อ, นน อ, อจุดเด่นเนี่ยมันกลายเป็นจุดด้อยได้คือต้องมองมนุษย์เนี่ยอย่าคิดว่าถ้าจุดเด่นคือคือจะไม่มีจุดด้อยผมเด่นเนี่ยที่จริงมันเกิดโกลมด้อยได้มันอยู่ที่วิธีการจัดการของคน ซึ่งไม่หวังดีนะพราะนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนคนหนึ่งเป็นลูกกตัญญูเคารพเทิดทูนพ่อแม่เหมือนกับพระอรหันต์ในครอบครัวแต่เธอก็มีความฉลาดสามารถในการสมมุติว่าผิดยาบ้าพวกนายทุนใหญ่ก็ต้องการจะเอาคนเนี้ยไปเป็น ครื่องมือในการผิดยาบาาแต่เขาเป็นอยู่ในศีลในธรรมที่สั์สุจริตไม่ยอมทำตัวในทุนก็ส่งคนมาจับแต่ตัวพ่อแม่นะฮะไม่จะจับตัวลูกไปกักขังนูงเหนีนยวไว้ยื่นคำขาดว่าถ้าไม่มาทำตามที่เขาต้องการแล้วเขาจะฆ่าพ่อแม่เห็นไหมว่าปุมเด่นของลูกเนี่ยกลายเปปุมด้อยทันทีเลยเป็นทางที่ลูกจะต้องเลือก เพราะนั้นปัญหาบางอย่างเนี่ยปกติเวลามีการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศนำมาจะได้รับรัตนาให้มีหน้านะที่สรุปพระไตรบิฎกก็ใช้เวลาก็วันละสี่ชั่วโมงนะฮะก็4สีวันก็สรุปเท่าที่สรุปได้นะ เ่อที่จะมองในเชิงวิเคราอบถึงต้นเหตุหรือวัตถุประสงค์งสัญชาริภักดิของของเรื่องเหล่านั้นคือไม่ได้ไปเจาะรายละเอียดเพราะว่ารายละเอียดไม่ไหวก็เพียงแต่ว่าต้องการให้พระธรรมชูดเข้าใจเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการประหยัดวิ น, นัยบางครั้งนี้เราอาจจะไม่เข้าใจ ว่าทำไมจมึงบาดัดอย่านี้ทําไมจมึงบาดัดอย่งนี้โดยไม่ได้คิดว่าถ้าไม่หยุดถ้าไม่มีสิ่งนี้ต่อไปจะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ค่อยคิดแล้วก็เหมือนกับกําหนดให้มีการว่าคนที่เป็นนักบวชนะพูดเฉพาะนักบวชแล้วบวชในรัฐที่อื่นาศาสนาอื่นมีความประสงค์จะบวชในพระพุทธศสาสนา มันจะต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบเขาเรียกว่าอยู่ติทยาปริวารอยู่วัดปฏิบัติพิเศษเช่นวัดฝนตาเนี้จะมีการตรวจสอบมีการติดตามมีการศึกษาแล้วก็วัดผลแน่ใจนะสงแน่ใจว่าคนนี้มาด้วยความสรัทธาก็จะเปิดโอกาสให้บวชเราต้องมาอย่างนั้นแล้วเนี่ย วิธีการของโลกเนี่ยมันสลับซับซอ้อนเราอย่าลืมว่าบางครั้งการส่งคนของเราเข้าไปเป็นพวกมันจะกลายเป็นเครื่องมือในการก็จุดไฟกลางนาครแล้วก็แนวแคล้ายๆกับที่พระรามส่งหันอุมาลไปทำเป็นไส้ศึกกลายเป็นลูกผลปรดของทศกัณฐ์เลย ถูกจองเป็นแมงเดียวกับอินทรชิตแล้วก็ผลเกษท้ายทุจริกกรก็ตายกฮันหุนนั้นคือความสลับซับซ้อนของโลกเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรามองในแง่ของธรรมะนั้นคือกระแสะของอกุศลชิมันเจ้าเล่ายาเสซแสงโออวดแข่งดีวิหิงสา ด, สาดสาริศยาดาราพัทรก็ออกแต่ตามปกติแล้วเราเราไม่เคยคิดอะ แล้ก็ ค, คิดอย่างที่มีการพูดถึงสวัสดิการทารัพย์มรดตรีนารีพิคาทีินาศ ก, กรรมเนี่ยพนขาวิวภากวิจารณ์จะเป็นการใหญ่ทำเรื่องขึ้นสร้างเรื่องขึ้นแล้วก็คนรออ่านหนังสือไม่มีความคิดนะครัเหล่านี้เขามีอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยทุกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทุกข้อด้วยแล้วขณะนี้ก็มีครบอยู่ทุกข้อด้วยแล้วก็มีทุกวันด้วยทําไป เพียงแต่เรนเนี่ยมันเกิดตรงไหนท่านั้นเพราะนี้คือเครื่องมือในการพิฆาตในการทําลายฝ่ายตร ง, งตินข้าวกับตุกมาในรูปของความเป็นมิตรแต่ว่ามีการทําลายลางในช่วงหลังเพราะ ว, วิธีการเหล่านี้เป็นคนสึกอย่างหนึ่ง ของควายที่ตรงกันข้ามจะมาใช้เราอ่านของเราก็ได้นะอ่านของพม่าก็ได้อ่านของสามก๊กอินเดียนี่เยอะสามก๊กของจีนนี่เยอะรามเกียรตินี่ก็เยอะรามเกียรตินก็เยอะแล้วก็ในมหาภารตะยุทธก็เยอะราชาธิราชมันก็เยอะแเราต้องมองให้เป็นมองไม่ใช่อ่านเฉพาะตัวอักษรแล้วต้องมองว่าพื้นฐานทางความคิดนี่ ที่เขาทำอย่างเนี้ยเพราะเขคิดอย่างนี้นและแะไรคือเป้าประสงค์ที่จริงเป้าประสงค์นะเขาจะเขียนไว้นะฮะเขาจะบอกไว้วตอนวางแผนมันก็พูดเอ า, าถือว่าตอนวางแผนก็อยู่ในผู้ตัวเองก็รับรู้กันตอ น, นดําเนินการผู้ตัวเองก็เข้าไปดาเนินการแต่แผนวัตการนะฮะแผนวัตสการ์เรถาถามถ้าเราไปอ่านในราชาธิราช่มีตั้งสี่ห้าครั้ง แผนเดียวกันแล้วตอนเหตุการณ์ที่เราทะเลาะกันเองระหว่างพวกคอมมิวมนิสต์ทั้งหลายเนี่ยแผนรัศการใช้ยเยอะมากๆแล้วก็ได้ผลทุกทีเป็นเรื่องตลกที่สุดอยูได้ผลทุกเถื่เอเวลาเนี่ยทาภาคใต้ใช้หมดแต่เราก็ลืมนะเราก็ลืมอันนี้คือแผนรัศการมันเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปหน่อยหนึ่งพลิกแพลงวิธีการไปหน่อยหนึ่งเราห ล, ลงทางะ่ะ ดืงคิดอ่ะมเรากลายเป็นเครื่องมือที่ถูกหลอกใช้ได้เยอะบางครั้งบางข่าวเช่นเขาเรียกว่ายิทธการเหยียบบาเก็บส้มนั่นเป็นวิทธการอย่างหนึ่งนะที่หลอกลวงโลกให้หลงทางแล้วคนเหล่านี้เขาจะ ส, สุขอยู่ด้วยความเชื่ออย่างงมงายของสังคม เกีย่ยวผลประโยชน์สบายนะพวกอื่นจะเป็นเครื่องมือรองรับความเจริญก้าวหน้าของคนเนะราเขาเรียก ง, ง่ายๆว่าุิขการณ์เหยียบบาดเก็ียบซุบนี่ก็บอกมาให้ดูนะ ว, ว่าเรื่องเหล่านี้ที่จริง ม, ม, มันมีแบบอยู่ทั้งหมดมีตัวอย่างทั้งทั้งหมดเงแต่ว่าในกรณีที่เราพูดเรื่อง ของพัฒนาการทางจิตโดยการสร้างบา ร, รมีทีนี้คนที่ชิดขึ้นเป็นบา ร, รมนะีมันไม่ใช่ง่ายนะฮะเราลองสังเกตว่าใครดีเด่นดังขึ้นมาแล้วก็มีคนมุทิตานะันไม่ใช่เกิดขึ้นไง่ายนี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะห้าสิเปอร์เซนตก็ยากนะ จะมีนคนรู้สึกเฉยๆกับฤติยานี่เยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฤติยากับฤหิงสาเนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเห็นคนอื่นได้เดียดทนอยู่ไม่ได้ก็อยากได้เองแล้วก็การเบียดเบียนกระทืบไล่แต่ซึ่งกันรละกันนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลก ว่าสัตวโลกถ้าเรามองก็คือผู้ล่ากับผู้ถูกล่าคนคนเดียวกันเนี่ยในกรณีหนึ่งคือเป็นผู้ล่าในกรณีหนึ่งก็คือผู้ถูกล่าแต่ใดที่โลกยังไม่ยังเข้าสู่กระแสธรรมหรือพื้นฐานก็คือสี่ห่งถ้ามันยังเข้าสู่กระแสธรรมตรงนี้ได้แล้วก็โลกมันก็เป็นเย่างนี้เป็นผู้ล่ากับผู้ถูกล่าแม้เราจะไม่ล่าเนี่ย แต่โอกาสที่เราจะถูกล่ามันก็เป็นยางไงเพราะอย่างภิสูนเนี่ยก็ไม่ล่าใครแล้วก็ถูกล่าในประวัติศาสตร์ของมหุทธศาสน า, า, า, า, าเนี่ยพระถูกฆ่าซีเยอะเลยยุคพระเจ้าปุษยมิตรก็ถูกตั้งข้าหัวหัวละพันก า, าพันนะใครฆ่าได้เนี่ยเอามารับรางวัลยุคตีสลามตึก บ, บุกเข้าไปในศตวรรษที่สิบเจ็ดไเยอะ เห็นไหมเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้คิดแม้แต่จะฆ่าแล้วก็มีคนล่าเราได้นั่นคือโลกนั้นมีแบบอย่างไวให้ดูทั้งหมดไม่มีอะไรใหม่เพียงแต่ว่าคนทำใหม่ในเวลาใหม่ตัวกระตุน้นนีชิดตัวกระตุ้นให้ทำเนี่ยมันเป็นตัวเดิมที่เกลียดแต่ในที่นี้เป็นเรื่องธรรมะนะ ในความว่าท่านสุภูติในอดีตชาติท่านบอกว่าในที่สุดแสนกับแต่พัทธกับนี้คือว่าอย่างที่บอกไว้นะว่าพระพุทธเจ้าพระพเจ้าเราเนี่ยเป็นประเภทเขาเรียกว่าปัญญาที่กะคือใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เสียสงไขกแสนกั่หลังจาก รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอนดีตก็พระพุทธเจ้าเราก็ในสมัยของสุมเมตตาบทุรับพยากร์จากพระที่ปังกรพุทธเจ้าที่อมราวดีนครและในตอนนั้นที่จริงพระองค์มีสาวกสดบรมยานในความว่าถ้าหากว่าจะออกบวช ในช่วงนั้นก็สามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระหันได้ถ้าเรียกว่าเหตุสัมปทาสมบัติคือสมบูรณ์ด้วยเหตุที่จะช่วยให้บรรลุมรรคผลเป็นประหรันแต่ว่าก็ไม่พอใจในสาวะ บ, บ ร, รมยานเพราะว่าเป็นทํานองคล้ายๆกับตัดช่องน้อยแต่พอตัวผู้คนที่มีการุณามากๆเนี่ย เขาไม่คิดแคบๆมันคิดว่างเพราะแนวพระโพธิสัตว์เนี่ยที่จริงเป็นร้นแบบของคนดีในโลกนี้นะกรหมัยความว่าพระองค์มองโดยใช้ปัญญาบริสุทธิ์กรุณาซึ่เป็นพระพุทธคุณเป็นเกมแล้วก็เรียงรถหลังกันขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าโลกกระทัดเนี่ยก็ไม่ตรงกับคน่ี โลกธัต์จะมองลึกก้างทั้งลึกทั้งกว้างแล้วก็ไกลออกไปไปสู่อนาคตบนันนีก็มองไปรูปของวงกลมที่จะต้องตัดก็ต้องหาไปโจหัวให้มันเจอนะะว่าจะตัดอะไรตรงไห น, น, นในคราวนี้ท่านเล่าว่าตอนนั้นตรพุทธเจ้าทรงมรนามปฐมุตตะ อันนี้ก็คือช่วงที่อริยสาวกในศาสนาพุทธตอนยุคพุทธกาลสร้างบารมีในยุคนี้ตั้งความปรารถนาในยุคนี้เกือบจะทั้งหมดยกเว้นหกท่านอย่างที่ว่าแล้วก็ยังไม่สังเกต ร, รายละเอียดในรูปในท่านอื่นๆนะแต่ว่าเท่าที่พบเนี่ยก็พูเจ้จารมนามประทมุมการะย้อนขึ้นไปก็ แสนกับเราแสดงว่าพนานานไม่จะเล่นนะครับเ ร, เรานับของเราที่เรานับพระวิปัสสีสิธีกัสปูโกนาคงกัสะปะโกตมะเนี่ยยังไม่ถึงเลยย้อนต้นไ ป, ปทุกไกรพระพุทธเจ้า ก, ก็หลายพระองค์ในบทที่เราสวดสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ในพิธีมงคลเราก็สวดเจ็ดพระองค์ก็ยังไม่ถึง เขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่เสด็จอุบัติตอนนั้นแหละตอนตอนตอนที่ทขาเกิดเนี่ยบุตความคนหนึ่งเป็นอีฐานะที่เรียกว่ามัง่งคั่งร่ำรวยเ็าเรียกพระมหาสารชอวา น, า น, นันทมนกไม่จเจริญวัยขึ้นม า, า, ม า, าก็จบในเพศแล้วก็เวทางกษัตริย์ต่าง คือถ้าถือว่าตรงนี้ถูกต้องนะฮะธรตมวก็ถูกต้องเราแสดงว่าประเทศทมีมารโบราณารมากแต่นในแง่ประวัติศาสตร์จริงๆเราพูดถึงว่าพระเวทแรกเนี่ยคือฤพระเวทมีอย่างมากอย่างไกลสุดๆในก่อนพุทธกาลประมาณห้าพันปีกาแห่อ ง, อ, งอาจจะพูดสองพันปีด้วย้่าัน 2 0 0 0รเอาแหละเ็เรียกว่าไม่เกินห้าพันปีซึ่งหมายควาว่าถ้าเป็นจริงก็แสดงว่าพระเวทมันก็มีการหายไปแล้วก็มีการปรากฏขึ้นตามยุคตามสมัยทำนองคล้ายๆกับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาเชนโดยพื้นฐานตรง น, นี้เห็นว่าพระพุทธศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าในอดีต ขึ้นมาปรากฏกระั้รู้เผยแผ่ศาสนาดำรงประชนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็นิพานบางทีศาสนาของพระองค์ก็สืบต่อกันานแบางพระองค์ไม่ได้บัญญัติพระวินัยเอาไว้เพราะฉะนั้นศาสนาพอหมดยุคของพระองค์กับยุคของพระสาวกที่บวชกากบวชในสํำนักพระองค์ศาสนาเหล่านั้นก็ค่อยๆเสื่อม คล้ายกับศาสนาประกัศสปะสมาสพุทธเจ้ากอดมรรคพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านไม่ได้บัญดัติทเขวิ่งไหนผพอท่านนิพพานเนี่ยก็พระมีอยู่เท่าไหร่ก็สืบต่อไปได้ท่านั้นแล้วค่อยตายลงไปนพิพพานไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งศาสนาจบเมยมันก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสานานั้นจะต้องสืบสานด้วยพุทธวิษัชนหลักคือพิสุบุรุษ แต่ในขนาดเดียวกันก็ต้องได้รับการอุปถรัรมภ์จากพุทธบริษัทฝ่ายคารวาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวผู้นำแล้วก็กับผู้เศรษฐีที่มีสถานะถึงถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้เศรษฐีบทบาทก็ไม่เด่น รัฐบาลเองก็ไม่เด่นไม่ค่อยเป็นโลกเป็นภายอะไรท่าไรแล้วก็สร้างความหวังว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยจะมีความคิดต่อาศาสนาอย่างไงบ้างแต่ตรงนี้จริงๆก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วก็ซ้ารอยเก่าตลอดบอกว่า มนุษยิลาเวียนเนี่ยมีจะนวนมากคือฟังตัวแรกที่ท่านพูดเนี่ยมันมนันคือถ้ามองกันในแง่มุมของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะว่าคนมันมากมายมหาศาลด้วยกันเราเราก็พูดแบบคนมากอะไรย้อย่าไปเอาตัวเลขของท่านเน่ยตัวเลขของท่านก็ชัดอยู่บัว คือมนึกภาพไม่ออกอะภาพไม่ออกแต่ท่านชอบใช้ภาษาอย่างนี้เขาเรียกอนเนกสังขยาสันขยาที่มันมันมากมากพูดป ก, กมากเราลองสังเกตว่าถ้าเกินสองร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยมันจะยุบรวมเป็นห้าร้อยไปไดยทีนี้ถ้าเกินพันไปเนี่ยที่เราพบตัวเลขพบตัวเลขก็ ประมาณ 1,250 หาจากนั้นก็ไปเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่ น, นหมนมเลยเ่นะตอนเดวิจเจ้าเสด็จไปโปรดพระประยุรญาตที่กรุงก บ, บินพัทรก็มีภิกษุตามเสด็จสอง0มืทนยิงก็เลยนั่นไปแล้วมันก็8ป0 0มื่สี่พัะคือไม่ใช่ตัวเลขที่ลงตัวแต่เป็นวิธีการวิธีการพูดประการหนึ่ง คืออย่าไปคิดว่าตัวเลขเนี้ยคือตัวเลขที่จริงคือตัวเลขที่หมายได้กว่ามากแล้วท่านเหล่านั้นก็ออกบวชสวนกระออกบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงว่ายันเคยสัมภาษณ์พระหนุ่มเมนน้อยทั้งหลายอะลองคุยๆกันมันเป็นเรื่องแปลกถือว่าแต่และรูปเนี่ยมันมีในเครือญาติถึงบวชด้วยกัน แล้วคนเหล่านี้ก็จะคุ้นกับลุงลุงลุงตาลุงหน้าอะไรแต่ไรเข้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วความ้องเงยง็นทางจิตก็เกิดแล้วก็จะมีแยกตัวมาบวชพมจะลองถามถึงพระเถระที่มีบทบาทในศาสนาอยู่ปัจจุ บ, บนันลองถามดูเถอะจะมีเครือญาติเยอะๆมันกลายเป็นแรงผักดันอย่างสมเด็จพระสังฆราช วาสนามาติระวรรดาคิดนั่นโต้ตงเลยนะฮะเืออาท่านบวชแล้วก็ได้เปลี่ยนก้าวประโยชน์ีนมีความจำเป็นต้องสึกอากแก่ตัวต้องการจะสึกแล้วก็ปืปอนศาสนาก็เลยไปขอหลานนะฮะไปไปชุมหลานทั้งหมดขอคนหนึ่งเขาก็ไปชุมหลานในเลือกอ่เลือกเอาเยอะแต่ท่านเลือกคนเดียว อยู่คนเดียวแล้วก็ได้ยอดเลยนะเป็นสังฆราชนะ้วยนี่คือคือแรงแรงบันดาลบันดาลใจที่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จดนึกดูว่าคนหนุ่มที่จบในเพศแล้วก็ออกบวชเป็นฤอสีสละสมบัติเป็นบวกมหาศาลออกไปจนบำเพ็ญเพียรได้สมาบัติแปดอภินยา อันเปาที่จริงห้านะคือในแต่กคาถาที่บอกว่าหกท่านคงลืมไปอันญปาหกมีไม่ได้ละคือถ้ามีเขาก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยอัิญญามีแค่ห้าที่เป็นโลกิยาปิญญาเนะี่ยแลว้วข้อที่หกต้เป็นอาสวาัคยานที่วัญญาณที่ทําอาสวะให้หมดไปก็เป็นพระอรหรันต์ละมีท่านก็คงจะพูดเผลอไปหน่อย แล้วก็สอนกรรมฐานแก่พวกลูกศิษย์ทั้งหลายจนในที่สุดท่านเหล่านั้นก็ได้ฌานได้ฌานแล้วก็ได้ปิญญาด้วยนะได้สมาบัตแปดได้ปิญญาห้าด้วยกันการต่อมาพระพุทธเจ้าสมานามปฐมมุตระได้อุบัติขึ้นในโลกอาศัยอยู่ที่หงษสะ บ, บดีนครก็เวลาใกล้รุ่งทรงจวจ ด, ดูสตัตว์โลกก็ทรงเห็น บารมีแห่งพระอรหันต์ของพวกบริวารเนี่ย้ววาเห็นว่าตัวอาจารย์เนี่ยนันทะดาบทเนี่ยนันทามนตรเนี่ยจะตั้งความปรารถนาพิพจารณาวันตอนที่ลูกศิษย์ออกไปจากอาศมเพื่อหาผลไม้มากินกันเนี่ยมาฉันกันก็ได้ครั่านนันทาดาบ ท, ที่อยู่ที่อาศมคนเดียว ที่เดี่มาทางอากาศแล้วก็พอใกล้ตรงนั้นก็ลงจากอากาศให้เห็นนลงจากอากาศให้เห็นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครถ้าเราเรียกว่าที่จริงก็เป็นปชวประการหนึ่งคือปฏิบัติการหนึ่งคือจุลยาประการห น, นึ่งทุ่งฉนวนอัศจรรย์ทีนี้ถ้าถามว่ามาทางอากาศอย่างนั้นนี่ท่านนัทท่านนันทะบ๊อบทที่ท่านทําได้ไหมก็บอกว่าทําได้ เพราท่านได้พิญญาห้าท่านก็ทำได้เหมือนกันต่ว่าเมื่องจากท่านแตกฉานในตรเทศในทางศาสาตร์ท่านการค่อยๆลอยลงมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านเห็นหมหาปริศาลักษณะท่านทา ม, มานะฮะเรื่องนี้พอเห็นปั๊บท่านก็ดูออกทุกอวคนนี้ไม่ใช่ธรรมดา เรามีคติเป็นสองอย่างที่เรารู้กันว่ามันกุศลกรรมบา ร, รมีธรรมเนี่ยมันสร้างสร้างรูปนะฮะสร้างรูปเป็นกรรมชรูปคือสร้างรูปขึ้นมาเลยให้ประกอบด้วยมาบริสาลักษณะสามสประการอนุพยัญชนะแปดสิบประการเพราะนั้นพอท่านนำพระดาบทเห็นก็แสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นนักบวชมาโดยคตินี่เป็นพระเจ้าจกักรพรรดิก็ได้ เป็นนักบวชก็ได้ถ้าเป็นนักบวชก็เป็นราหันต์สมมาสมพุทธเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ออกบวชเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นนะฮะมรมีหมดละมารมีใช้ไปหมดละใช้ในตอนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วตอนถ้าจะบรรลุผลเป็นพระอราหารนันต์ในโอกาสต่ต อ, ตอไปเนี่ยก็คงพบชาติต่ อ, ตอไปก็มองเห็นว่า คือพระเจ้าเองก็ส่งอธิษฐานพระไทยให้รู้ให้นันทาดา บ, บทนี้รู้ว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้านันทารา บ, บทเองก็รู้ว่าบุรุษอาชานในท่านนี้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสยัยท่าก็ทําการต้อนรับแล้วก็ถวายบังคมด้วยเบญจางกับดิตกูลาดอาสนะที่เตรียมไว้และเสร็จแล้วตัวเองก็นั่งในอาสนะที่ต่ำ นั่งพนมือนะฮะนั่งพนมือแสดงความเคารพเถื่ทูลสูงมากทีนี้พวกลูกศิษย์คือท่านเวียงพรามเนี่ยมันรู้อัศนะใกล้ใกับพระเนี่ยนะใกล้ใกับพระเราไปเราเห็นอัศนะนี่เรารู้ว่าใครนั่งตรงนั้นบางคร้งบางคราวอย่างพวกสมณะศักด์เป็นราชาคณะเนี่ยมันก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นก่อนเป็นหลังก็นะจะนั่งกันตามลำดับอย่างนั้น เรารู้ว่าใครเป็นใครเราก็รู้ที่นั่งของเราเราควรจะนั่งตรงไหนที่ถูกต้องบางครั้งเราไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครบ้างเราก็ถามแล้วก็จะบอกที่นั่งให้แต่ตามปกติแล้วก็หน้าที่ก็จะจัดเพราะฉะนั้นพอมาเห็นนักบวดรูปหนึ่งนั่งอาสนะสูงแล้วอาจารย์ไปนั่งอาสนะต่า โลรลูกศิษย์ก็มาคิดว่าแ้าแต่ท่านอาจารย์ผมทั้งหลายมีคิดมานานคิดว่านานว่าในโลกนี่ไม่มีใครทัดเทียมทราอาจารย์แล้วว่าทำไมบุรุษผู้นีเลี้ยงใหญ่กว่าท่านได้ยังนั่นั้นพระมานพ บ, บอกว่าผู้เธอทั้งหลายพูดอะไรนั่นประสงค์จะเอาเขาพระสุเมนุนะ น, นี่เป็นตัวหน่วยทีท่านพูดบ่อยหรือคนรู้จักประมาณตัวเองมีเยอะนะฮะมาพูดถึไปเทียบเคียงสติปัญญาตัวเองกับประสพพันยุตยานเหมือนเอ า, มาเมล็ดปากกาต์เล็กๆเนี่ยไปเทียบกับเขาปุมเมนเป็นจํานวนเป็นตํานวนที่ท่านใช้นะครับคือปัะสพพันยุตยานอย่าไปตีความนะ หาเรื่องเป็นบาปเป็นก ร, รมหาเรื่องตกนรกเราไม่มียานอย่างรู้อะไรขนาดนั้นน่ะวันท่านว่ามายังไงก็คือว่าอย่างงั้นน่ว่าอย่างน ท, นที่ท่านว่าไว้เรามีหน้าที่แสดงพระเจ้าก็แสดงพระเจ้าแสดงด้วยประสัพพันยุติยานเราก็โดยเสด็จพยานของหลวงคือแสดงตามที่พระเจ้าทรงแสดงท่าแสดงว่ายัางไงเราก็แสดงอย่างนั้น ไม่ให้มีสุ่มรวนอะไรอย่างหนึ่งทีท่านคุณพรมคุณาพรนั่นเคยใช้ทำพระธรรมวินัยให้วิปริตหรือว่าทําตัวในวิปริรอตอย่าพระธรรมวินัยบาปทั้งคู่นะฮะแต่เราเห็นว่าถ้าทำพระธรรมวินัยวิปริตแล้วเนี่ยมันบาปเป็นมรดกบาปเลยคนสับสนกันหมดอย่างานี้แล้วเนี่ยเทวทัศน์เนี่ย มีคนนับถือเทวดาอยู่เยอะด้วยมันก็จวนกะตกนรกรารูปเลยแต่ถ้าเราทำตัวนวิปริตจากพระธรรมวินัยเนี่ยเราตกนรกคนเดียวนะแต่ทำพระธรรมวินัยวิปริลแล้วเป็นโมดกบาปที่ขาแผ่นดินอยู่พนอืามาศึกษามาอ่านมาพบเห็นเข้าก็าจะไปเชื่อถือแล้วก็มาพุทเรศไปบัตตาม อันตรายก็จะเกิดขึ้นต่อพระสัติธพระนั่ก็บอกว่าพวกเธออย่าเอาอย่านำเอาเราเข้าไปชเบี่ยว ก, กับพระสัพพันธ์อยู่พุทธเจ้าเลยพระดาโบสก็เข้าใจนะเข้าใจว่าใครเป็นใครก็เริ่มกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้า ผู้อาจารย์ก็บอกว่าเออพระพุทธเจ้าเสด็จมาในเวลาพัตอาหารแต่ว่าเราก็ไม่มีอาหารอะไรถวายาตลงใครได้อะไรมาก็มารวมกันแล้วก็ดาบทก็ทำแบบน้ำปานะนะคันคันแบบน้ำปานะถวายพระพุทธเจ้าในตอนเนี้ยพระาอาจารย์ท่านไปบอกว่า พอทำเสร็จเนี่ยเทวดาเขาเอาอาหารชิปอรรถชิปไปแทรกไว้ที่จริงตรงนี้ไม่น่าจะยุ่งเลยนะือว่ามันคล้ายๆกับไปยกย่องสรรเสริญเทวดาสเสริญกั บ, บทแด่ว่ากลายเป็นการดูหมิ่นพระพุทธเจ้าไปพระเจ้าสมวยอะไรก็ได้ยาปนมตังดียังอัตภาพไปเป็นไปนะพระพุทธเจ้าไ่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ทำไมจะไปยุ่งใส่รถชิบรถทึบนะอะไรเข้าไปทำไมนอันนี้ก็บ่อยนะ่ยพระตอาจารย์ท่านก็เชื่อท่านก็เชื่อแบปรามท่านวันพอพูะเจ้าประทับเสร็จพัฒกิจแล้วพวกทั้นนั้นท่าอาบทก็เรียกทุกสิ์มาทั้งหมดแล้วกล่าวสารานิยกกักาถาคือ ถ, ถาที่เป็นเหตุให้เราลึกถึงกันเลยกัน พระเจ้าทรงเห็นว่าถึงเวลาเนี่ยวัดอธิษฐานพระไทยอันนี้เหนน็้ให้เราสังเกตนะฮะว่าอพระอาหารหันทรัพย์ติดต่อกันด้วยความคิดแต่นั่นเองเราอาจจะพูดว่าโทรจิตพระเจ้าใช้ใช้เยอะในในพระปฏิบัติบาญชีเนี่ยกําหนดให้พระองค์ขีดมารพระโมกขลานะพระองค์ขีนมารพระสารีบุตรอะไรสุดมากเป็นพระอาหารหันทร์นะ กำหนดให้มาแล้วท่านตองนั้นก็ปรากฏแั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ปรากฏตัวได้ทันทีเลยพระพุทธเจ้าสุบนามปทุมตระก็อธิษฐานให้พระอรหันต์ทั้งหลายนีปรากฏท่านก็มานะมาปรากฏดาวบทก็เห็นว่าทำยังไงทีนี้เรื่องใหญ่ละโรพระมาเป็นเป็นจำนวนมาก ตัวเลขเนี่ยท่านบอกว่าเป็นแสนเทาแหละก็เรียกว่าจํานวนมากแล้วกันดาบดกลก็ไม่น้อยอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรานี้ได้ปิญญาทางการเตรียมอัศานะเนี่ยเตรียมที่นั่งอย่าลืมว่าในป่านะฮะเตรียมที่นั่งในหะ้แกพระหารทังางงานมันก็ตกลงมาใช้ฤทธิ์ใช้อิทธิอิทธิคือใช้ฤทธิ์อธิฐานนี่เกิดเป็นอัศานะขึ้นมาคนนั่ง เป็นกินพื้นที่ท่านบอกว่าประมาณเป็นโยต์อะเพราะว่าคนคนจำนวนมหาศาลทีนี้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็นันทราบทนะนันทราบทก็ยืนประคองอัญชิีแล้วก็เชิญพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนอาชนะก็ พระศาสดาทรงประทับนั่งแล้วพิสูจน์ทั้งหลายก็รู้อาการของพระพุทธเจ้าคือต้องการที่จะให้ผลบุญผลกุศลคนทงท่านเหล่านี้มีมีบุญมากมก็ไปเสริมบารมีนะคล้ากับปรับสภาพความพร้อมในด้านบารมีท่านเหล่านี้เลยเข้าสมาบัติเลยพระเจ้าเข้าสมาบัติพระหัสงก็เข้าสมาบัติเลยทียนี้พวกดาบสถ์ตอนนี้เ ข, เข้าสมาบัติได้เราเข้าได้ แล้วลงว่าเหลือแต่ท่านนันทาดาบทรูปเดียวที่ยืนกั้นฉับกันฉับที่ทได้ดอกไม้นะฮะดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดระยะเวลาเจ็ดวันนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าคนแต่ละคนที่ผ่านมาแล้วเขามีภูมิหลังอะไรแตกต่างกันบางครัง้งบางคราเราเจอพระนุ่มๆเนี่ย แต่ก็มีอะไรพิเศษเด่นๆอยู่มากรือแสดงว่าท่านก็มีบารมีที่สร้างสมบรมไว้ในอนดีต่า้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาที่ทนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงกงามไพศาลในธรรมจังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี